ฟังเรื่องผีของจังหวัดอื่นๆหลอกกันไปแล้วนะคะทีนี้แวะขึ้นมาทางภาคอีสานกันบ้างค่ะเรื่องความเฮี้ยนของผีภาคนี้ขึ้นชื่อเหมือนกันกับผีภาคอื่นๆนะคะตามไปพิสูจน์หาความจริงกันสักทีว่าผีภาคอีสานจะดุแล้วก็เฮี้ยนเหมือนกันกับผีภาคอื่นหรือไม่ตามที่กล่าวมา เราก็ได้เดินทางไปหาข้อมูลจากชาวบ้านก็ได้ความกระจ่างหลายอำเภอหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็พบข้อเท็จจริงก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อคลายเครียดยามที่เศรษฐกิจบ้านเมืองลุ่มๆดอนๆชนิดปาด ก, กัดตีนถีบนะคะไข่ไก่สีฟอง20บาทช่างวังเวงจริงแท้สำหรับบ้านเราค่ะ ผู้เล่าเป็นลูกหลานย่าโมเมืองโคราชนามสมมติว่าลุงชัยกับป้าเปงละกันอายุไล่เลี่ยแล้วก็เป็นสองสามีภรรยานะคะมีลูกหลานเต็มบ้านกระซิบบอกกับเราว่าเมื่อก่อนโนเนี่ยที่ทุ่งสำริ์เมืองโคราชนี่ผีดุมากเลยนะคะมีชาวบ้านออกไปหากบหาเขียดแล้วก็หาปลาในละแวกนั้นเจอดีเห็นผีโบราณปรากฏตัวก็ไม่รู้ว่าเขามาหลอกหรือว่ามาดีกันแน่คืออ่านใจผีไม่ออก แกพูดจบแล้วก็เกาหัวยิกๆขาะแต่ว่าในปากยังคงเคี้ยวหมกักจับๆนะคะแดงแจ๋อยู่เลยแกกับป้ายังคงเคยเห็นผีที่ทุ่งสำริดตอนกลางคืนเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อครั้งที่ฝนกำลังตกพรำๆน้ำเต็มทุ่งขาโพลนไปหมด เสียงกบเสียงเขียดแล้วก็เสียงอึ่งอ่างดังระงมไปทั่วทุ่งนาชาวบ้านละแวกนั้นก็พากันจุดใต้จุดตะเกียงสะพายข้องไปจับกบจับอึ่งกันเดินฝ่าสายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแบบไม่ขาดสายทุกคนต่างต้องการจับสัตว์เหล่านี้ไปกินเป็นอาหารรวมถึงป้าแกด้วยนะคะทุ่งสำริดเนื้อที่กว้างใหญ่มากค่ะอดีตมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยสยามประเทศ เล่ากันนะคะว่าเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเมืองเวียงจันทร์คือประเทศลาวค่ะได้กรีทาทัพทหารลาวข้ามแม่น้ำโขงเขตกั้นชายแดนไทยลาวมาทางจังหวัดหนองคายเพื่อมุ่งสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตลอดทางก็ได้รบกับทหารไทยแต่ด้วยฝ่ายไทยเนี่ยมีกำลังน้อยกว่าต้องพ่ายแพ้ทหารลาวไปตามระเบียบเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนคนไทยมากับกองทัพทหารลาวด้วย จนมาถึงทุ่งสำมฤทธิ์เขตเมืองโคราชก็ได้พักรบที่นี่พร้อมกับกวาดต้อนชาวเมืองโคราชเป็นเฉลยศึกเจ้าเมืองโคราชที่ล้มป่วยถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ข้อมูลผิดพลาดตรงนี้ก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะคะคุณหญิงโมก็ขึ้นว่าราชการแทนสามีค่ะ ด้วยคุณหญิงโมมีเลือดเนื้อเชื้อไข่นักรบเก่าไม่ยอมให้ศัตรูมากดขี่ข่มเหงก็เลยวางแผนอยู่อย่างแยบยลให้เหล่าสตรีไทยคนโคราชทั้งหลายให้การต้อนรับขับสู้ทหารลาวเลี้ยงข้าวยาปลาปิ้งและสุราอย่างดีทหารฝ่ายลาวขลงกลนดื่มเหล้าจนเมาไม่ได้สติละทิ้งหน้าที่กันทั้งค่ายเมื่อท่านเห็นว่าศัตรูเพี่ยงพัแล้ว ย่าโมก็เลยส่งสัญญาณให้ไพรพลทหารและสตรีที่อยู่กับกองทัพทหารลาวลุกขึ้นจับอาวุธเข็นฆ่าทหารลาวให้ตายซะตรงนั้นจนแตกย่อยยับกลับเวียงจันทร์ไม่เป็นขบวนเป็นความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์แม่ทัพใหญ่แห่งดินแดนลาวค่ะศพทหารลาวนอนจมกองเลือดท่วมตัวตายอย่างอนาถที่ทุ่งสำริดสัตว์ราวุธของทหารลาวตกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด เมื่อทำการรบชนะศึกแล้วคุณหญิงก็ได้นำชาวโคราชเก็บกวาดศพทหารลาวฝังไว้ที่ทุ่งสำริ์ส่วนอาวุธยุโทโธปกรณ์นำไปเป็นอาวุธป้องกันตัวต่อไปนะคะและคุณหญิงโมก็ได้รับพระราชทานนามว่าเท้าสุระนารีมาจวบทุกวันนี้ค่ะ ศพนิรนามของทหารลาวที่ถูกฝังอยู่ในทุ่งสำริดกลับประเทศลาวไม่ถูกเมื่อกลายเป็นผีก็เลยต้องวนเวียนสิงสู่อยู่ที่ทุ่งสำริ์มาตลอดและไม่ยอมพากันไปผุดไปเกิดจนเป็นปัญหาต่อชาวบ้านลรแวกนั้นหวาดกลัวนะคะผีนิรนามทหารลาวที่ถูกคนโคราชฆ่าตาอย่างอนาถในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและเมื่อดวงวิญญาณทหารลาวนิวรนามยังไม่ยอมไปเกิดก็เลยเกิดเรื่องชวนขนลุกขนพอ ง, พองสยองขวัญขึ้น กมก็เลยมาตกอยู่ที่ชาวโคราชรละแวกนั้นนะคะเมื่อมาจับกบจับเขียดหรือว่าหาปูหาปลาเพื่อที่จะไปเลี้ยงชีพที่ทุ่งสำริดงานเข้าค่ะเจอผีทหารลาวนิรนามปรากฏตัวหลอกในรูปลักษณ์ที่ต่างกันออกไปตามแต่ผีตนไหนอยากจะให้คนเห็นอย่างไรแล้วก็ตายแบบไหนนะคะอย่างเช่นผีบางตัวนี่ก็คอขาดห้อยร่องแรงเลยก็มีบางตัวนี่ก็คอขาดสะบั้นเหลือแต่ตัวไม่มีหัว นะคะผีบางตนแขนขาดขาดขาดค่ะบางตัวได้ก็ไสทะลักออกมาบางตนถือดาบถือหอกแล้วก็บางตัวก็ยังคงปักอยู่บนตัวเลือดกระเละกระลังผีบางตนค่ะตาถลนออกมานอกเบ้าแล้วก็ลักษณะอื่นๆนะคะที่สุดจะพัณ น, นาได้ผีทหารลาวนี้และนามแต่ละตนบ่งบอกถึงความเครียดแค้นคนไทยมาก ส่งเสียงคำรามขู่จะเอาชีวิตชาวบ้านที่มาจับกบจับเขียดในบริเวณทุ่งสำริดแค่ปรากฏตัวหลอกชาวบ้านก็กลัวขี้หดตดหายกันแล้วนี่ยังจะมาขู่คำรามว่าจะฆ่าทุกคนอีกนะคะที่เข้าไปในทุ่งสำริดทำเอาชาวบ้านนี้พากันแตกหือค่ะวิ่งหนีผีทหารลาวนิรนามสุดชีวิตสะดุดขาตัวเองบ้างสะดุดสิ่งกีดขวางหกล้มบ้างล้มลุกคลุกคลานนอนแช่น้าฝนอมาน แต่ว่าชาวบ้านทุกคนก็รอดกลับบ้านได้นะคะไม่มีใครถูกผีทหารลาวนิวรานามฆ่าตายสักรายแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้เข็ดลาบแม้จะมีความกลัวมากแค่ไหนก็ตามค่ะเพื่อปากท้องของตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็เลยจําเป็นต้องเสี่ยงชีวิตไปจับกบจับเขียดที่ทุ่งสําริดกันอยู่หลังจากที่เคยโดนผีหลอกที่ทุ่งสําริดคราวนี้ทุกคนก็ป้องกันตัวกันอย่างดีแล้วค่ะมีพระเครื่องมีเครื่องราง ข, งของขลังพกติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันผีหลอกนั่นเอง และบางคืนชาวบ้านไม่เห็นตัวของผีทหารนิรนามนะคะแต่ว่าจะได้ยินเสียงการต่อสู้พร้อมกับเสียงร้องครวญครางโหยหวนดังแว่วมาชาวบ้านก็ต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาที่อยู่ในทุ่งสำริดหากว่าเผลอเมื่อไรค่ะอาจจะมีผีทหารราวนิรนามนี่มายืนแหกปากฉีกหน้าอกหลอกกันจะจะมีหวังสลบเป็นลมแน่นอนแม้ว่าจะมีของดีคุ้มกันตัวอย่างไรก็ตามถ้าผีมันจะหน้าด้านหลอกซะอย่างย่อมหนีไม่พ้นเงื้อมือมัอมนแน่นอนนะคะ คุณลุงชัยเล่าต่อไปค่ะว่ามีอยู่คืนหนึ่งแกกับป้าแปงเนี่ยไปจับกบจับเขียดที่ทุ่งสำริดมีเพื่อนบ้านไปด้วยกันหลายสิบคนคนเยอะขนาดนี้ผีไม่น่าจะกล้าหลอกแน่แน่ี่ก็เป็นความคิดของแกกับเพื่อนบ้านก็เลยพากันยกขยงไปเป็นหมู่คณะมีอะไรก็จะได้ช่วยกันปรากฏว่าพอเจอผีหลอกกันจริงๆค่ะต่างคนต่างวิ่งหนีกันเอาตัวรอด แกกับเมียนี่ก็วิ่งกันสุดชีวิตค่ะไม่มีครั้งไหนจะวิ่งเร็วเท่าครั้งนี้นี่แค่มันมาปรากฏตัวแบบยืนอยู่เฉยๆนะไม่ได้ลงมือหลอกยังขวัญ น, นี้ดีฝ่อวิ่งหนีกันจ้าระวันขนาดนี้เรียกว่าผีที่ทุ่งสำริดนี่เฮี้ยนสุดๆนะคะใครไปตอนกลางคืนนี่เจอดีโดนหลอกทุกราได้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าจากแดนไกลมาปักกลดที่ทุ่งสำริดก็ยังคงเจอดีโดนผีทาหารลาวนิรนามเนี่ยหลอกนะคะ เรื่องนี้แกไม่เคยเห็นพระโดนผีที่ทุ่งสำริ์หลอกหากแต่ว่าแกบอกว่าได้ยินเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี่นำมาเล่าให้ฟังจริงเท็จประการใดนั้นแกฟังหูไว้หูเหมือนกันลุงชัยบอกว่ามีพระชื่อว่าหลวงพี่บุญฐาถาวโรนะคะเป็นพระมหาจากบ้านเหล่าสวนปออำเภออ้อมน้อย ซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านเดินทุดงรอนแรมหาสัจธรรมแล้วก็ปลีกวิเวกหาความสงบแก่ชีวิตของกิจเป็นกิจของสงล์นะคะมายังเป้าหมายก็คือเทือกเขาดงพญาเย็นสมัยนั้นใช้เวลาเดินทางรอนแรมจากวัดบ้านเกิดมาที่โคราชก็หลายเพลาเหมือนกันมาจนมืดค่าที่ทุ่งสาริดแดนมิคขสัญยีสถานที่ที่เคยเป็นสนามรบระหว่างคนโคราชกับทหารลาว จากเวียงจันท์ค่ะมีศพทั้งสองฝ่ายล้มตายเกลื่อนทุ่งสัมฤทธิ์นะคะหลวงพี่บุญถาได้ปักกรดอยู่ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ตามลําพังรูปเดียวจนเลยเวลาสามทุ่มเท่านั้นแหละก็ได้เรื่องเลยหลวงพี่บุญฐางานเข้าค่ะเกิดอาเพศอาถรรพ์ขึ้นอยู่ๆก็มีลมพัดกระโชกแรงมากจนกรดที่ปักไว้เนี่ยแทบจะหลุดลอยไปตามลมพร้อมกับมีเสียงประหลาดร้องครวญครางโหยหวนมากับสายลมนะคะแล้วก็ท่านเองก็มองออกไปข้างนอกกรด ห่างกันหลายสิบวาก็เห็นเงาตะคุ่มจำนวนมากยืนออกันอยู่หลวงพี่บุญฐาเห็นเงาเหล่านั้นก็ขนลุกเกลียวค่ะจากประสบการณ์ที่ท่านเจอเรื่องเลวร้ายมานับไม่ถ้วนย่อมจะรู้ดีว่าลมและเสียงลึกลับนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหากแต่เกิดจากอำนาจของผูดผีวิ ญ, ญญาณที่สำแดงเดชให้ปรากฏท่านจะต้องหยุดยั้งอานาจลึกลับนี้ให้สงบจงได้ท่านก็เลยนั่งแผ่สมาธินะคะแล้วก็แผ่จิตเมตตาไปให้พวกเขา แต่คุณผู้ฟังครับพวกเขาไม่ได้ยอมหยุดการกระทําก็ยังคงโหมกระหน่ำริดเดทท้าถมใส่ท่านอีกแพ่เมตตาจิตก็แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ก็แล้วยังรังควานกันอีกค่ะท่านก็เลยตัดสินใจใช้ไม้ตายบริกรรมพระเวทหลายบทจนครบทาาแล้วก็เป่าลมปราณอาคมไปรอบๆตัวเท่านั้นแหละนะคะเสียงร้องโอดโอยเหมือนได้รับบาดเจ็บก่อนเสียงเหล่านั้นจะจางหายไปบาดนั้นบริเวณรอบกรดในทุ่งสำริดก็เหลือแต่ความเงียบสงบมาแทน แกบอกว่าถ้าหลวงพี่บุญถาพระจากร้อยเอ็ดรูปนี้ไม่แก่กล้าอาคมรับรองเลยว่าผีทหารลาวนิระนามเนี่ยหลอกทำให้เสียสติหรือว่าเป็นบ้าไปแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตในกลดนั้นก็ได้ แต่โชคยังดีที่หลวงพี่มีอาคมแก่กล้าสามารถสยบวิ ญ, ญญาณผีทหารรลวนิระนามได้ก็เลยรอดตัวมาได้ด้วยบุญบารมีของท่านค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ทุ่งสำริดคนสมัยนั้นรู้พิษสงของผีมีความร้ายกาจแล้วก็เฮี้ยนมากแค่ไหนแต่ว่าทุกวันนี้ปรากฏการณ์ในอดีตไม่มีหลงเหลือความเฮี้ยนของผีในทุ่งสำริดให้เห็นอีกแล้วก็ได้กลายเป็นคาเล่าขานไปแล้วนะคะ สำหรับตัวของบีเองก็ต้องขอบคุณลุงชัยและก็ป้าเป็งคนโคราชที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ผีหลอกที่ทุ่งสำมฤทธิ์ซึ่งเป็นทุ่งนาที่กลายเป็นสนามรบจนเป็นตำนานประวัติศาสตร์จารึกไว้ตราบจนทุกวันนี้และผีที่ทุ่งสำมฤทธิ์จะมีหรือไม่นั้นนะคะบีเองก็ไม่ทราบค่ะเพียงแต่ได้ฟังเรื่องราวจากผู้ที่ผ่านชีวิตระทึก เขย่าวขวัญเล่าให้ฟังเท่านั้นเองนะคะส่วนคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปลองพิสูจน์ดูก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะออกจากตัวจังหวัดนครราชสีมาทางจะไปจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะอยู่เส้นนี้แหละนะคะเส้นจะไปบุรีรัมย์มหาสารคามร้อเอ็ดคือจะเป็นเส้นนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาค่ะ มีอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะแต่ว่าเรายังคงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเองนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอปากช่องเรื่องของผีโดนรถไฟทับตายโหง คุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่จินตนาการคำเล่าขานเท่านั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกที่คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีผีสางๆต่างเจอดีกันมาเยอะนะคะถึงกับจับไข้หัวกระโนไปให้หมอพระอาบน้ำมนให้ผู้ที่นำเรื่องความน่าสยดสยองการตายหงของเหยื่อรายนี้มาเล่าให้เราฟังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยให้กับมูลลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งขอสมมติชื่อว่าคุณชนะนะคะ อายุก็วัยกลางคนเป็นชาวปากช่องโดยกําเนิดเล่าให้เราฟังค่ะว่าที่จริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเอาเรื่องคนตายมาเล่าให้คนเป็นฟังหากไม่นำความจริงมาเล่าแล้วสังคมจะรู้ไหมว่าผีมีจริง ฉนั้นคุณชนะก็เลยตัดสินใจนำเรื่องราวของคนที่ถูกรถไฟชนมาขอให้เร า, าขยายความให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเราก็เลยนาเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่คุณชนะไปพบความระทึกขวัญ น, นะคะคุณชนะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะคะได้เล่าให้กับเราฟังค่ะว่าได้เข้าเวรอยู่ริมถนนมิตรภาพในเขตระผิดชอบอาเภอปากช่อง ก็ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารจากศูนย์ใหญ่แม่ข่ายแจ้งเข้ามายัางวิทยุสื่อสารมือถือเครื่องดำแจ้งมีเหตุรถไฟชนคนตายที่จุดตัดบนถนนสายหนึ่งก็เลยพากันขับรถไปยังจุดเกิดเหตุร้ายด้วยว่าเป็นเวลากลางคืนนะฮะย่อมมีอุปสรรคบ้าง ไปถึงจุดเกิดเหตุในไม่ช้านะคะตํารวจท้องที่ยังไม่มีใครมาถึงเลยสักนายพวกเขาก็เลยต้องเฝ้าสถานที่เกิดเหตุไว้เพื่อรอให้ตํารวจแล้วก็พนักงานสอบสวนสอทพื้นที่รับผิดชอบกับแพทย์โรงพยาบาลประจําอําเภอมาตรวจอุบัติเหตุตามหน้าที่ซะก่อนจึงจะเข้าไปจัด ก, การกับศพคนตายได้นะคะระหว่างนั้นพวกเขาก็ใช้ไฟ light, สปอตไลท์ส่องไปตามรางรถไฟเพื่อจะสํารวจดูว่ามีอะไรเสียหายเกิดขึ้นบ้าง ภาพที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาค่ะก็มีศีรษะของคนตายนี่คือขาดออกจากคอตกอยู่ริมรางรถไฟแล้วก็มีสุนัขตัวนึ่งกาลังยืนแทะแล้วก็กัดศีรษะของเหยื่อก็คือคนตายนี่แหละนะคะพวกเขาก็เลยพากันไล่สุนัขตัวนั้นไปให้ห่างๆแต่แทนที่หมาตัวนี้จะหนีค่ะมันกลับแสดงอาการเกลี้ยวกราดยืนประจันหน้าแยกเคี้ยวยิงฟันใส่เป็นที่น่าฉงนใจดวงตาของมันเป็นสีแดงดุเอาเรื่องค่ะ ก็เลยคว้าก้อนหินของรถไฟนี่แหละข้างใส่สุนัขตัวนั้นแล้วเพื่อนๆก็ได้ช่วยกันรุมข้างก้อนหินใส่สุนัขด้วยมันก็คงจะรู้ตัวแหละนะฮะว่าถ้าขืนยังยืนประจันหน้ากับพวกมนุษย์มีหวังเจ็บตัวแน่ เมื่อจะไปต้องไว้ลายของสุนัขหน่อยมันแยกเขี้ยวยิงฟันขู่พวกเขาก่อนจะทำท่ากระโจนใส่นะคะทุกคนตกใจหันหลังวิ่งไปตั้งหลักค่ะทุกคนหน้าซีดไม่นึกว่าสุนัขตัวนี้มันจะสู้นะมันคงจะห่วงอาหารที่เป็นศรีรษะของคนตายก็เลยได้ก้าวร้าวแล้วก็แสดงความดุดันใส่พวกเขาพอทุกคนตั้งสติได้ก็เลยหยิบก้อนหินช่วยกันว้างใส่สุนัขตัวนั้นอีก มีก้อนหินหลายก้อนค่ะโดนมันเต็มๆถึงกับร้องเอ๋งออกไปเลยก่อนมันจะวิ่งหายไปกับความมืดเขาแล้วก็เพื่อนๆก็เลยคิดนะว่า<ะ>มันก็คงยังแอบซุ่มอยู่ใกล้นี่แหละมันคงจะเฝ้าดูเหตุการณ์แล้วก็ท่าทีของพวกเราว่าจะทําอย่างไรกับอาหารจานโปรดที่เป็นศรีรษะของมนุษย์คนนี้สักครู่หนึ่งก็มีตํารวจหลายนายมาในที่เกิดเหตุค่ะพวกเราก็เลยเดินกลับไปสมทบกับตํารวจแต่ก็ได้ให้เพื่อนสองคนเฝ้าดูหัวของคนตายไว้กลัวว่าหมาตัวนี้เนี่ยมันจะมาแอบคาบไป ศพของคนตายถูกรถไฟชนแล้วก็จำไม่ได้เลยว่าเป็นใครนะคะอวัยวะของคนตายส่วนมากทะลักไหลเรี่ยราดอยู่ตามพื้นไกลหลายเมตรห่างออกไปมีขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันจอดติดเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเขากับเพื่อนก็เลยไปยืนอยู่ข้างศพคนตายซึ่งเป็นผู้หญิง น่าจะวัยกลางคนซึ่งศพที่เขาเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นซากศพมากกว่าเพราะว่าร่างกายโดนรถไฟชนอย่างแรงจนฉีกขาดนะคะร่างกายแหลกเหลวเละเหมือนโจ๊กกระดูกแตกหักไม่เป็นชิ้นดีแพทย์แล้วก็ตำรวจก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างระมัดระวังเพราะว่าเป็นคดีอาญาบ้านเมืองค่ะ นอกจากจะมีตำรวจแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยแล้วยังมีบรรดาไทยมุงอีกจํานวนหนึ่งมายืนมองดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเขาจะเห็นบรรดาไทยมุงทุกสถานที่เกิดเหตุและเขาก็จะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนปะปนอยู่กับไทยมุงหน้าตาคล้ายกับคนตายที่โดนรถไฟชนเขาก็เลยเพ่งมองผู้หญิงคนนั้นด้วยความสนใจก็เลยสกิดแขนให้เพื่อนดูผู้หญิงคนดังกล่าวเพื่อนถึงกับพงะเอามือขยี้ตานะคะพร้อมกับพูดบอกว่าคนหรือผี เล่นหลอกกันสดๆเลยหรือเนี่ยเขาขนลุกเกลียวค่ะแต่ว่าไม่บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังกลัวจะหาว่าเป็นโรคประสาทนะคะก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพียงแต่เขากับเพื่อนสองคนเท่านั้นยังไม่ทันจะได้ทำอะไรกับศพคนตายเลยค่ะเพื่อนๆที่เฝ้าศีรษะคนตายก็วิ่งหน้าตื่นมาสมทบปากระล่าระลักพูดด้วยเสียงอันสั่นเทาบอกว่าผีหัวขาดมันหลอกผม ตำรวจยศนายสินายที่ยืนอยู่ข้างๆเขาได้ยินเพื่อนคนนี้พูดก็รีบสวนขึ้นทันควันบอกว่าอาสาสมัครตาฝาดไปหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิเพื่อนๆอาสาสมัครกู้ภัยนะคะที่เป็นเพื่อนของคุณชนะเนี่ยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็ที่โดนผีหลอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็กล้าๆ ก, กลัวๆปฏิเสธที่จะพาตำรวจสองนายเนี่ยไปดู เขาก็เลยพาตำรวจทั้งสองนายเดินไปดูศีรษะก็คือคุณชนะเนี่ยพาตำรวจไปนะคะพาไปดูศีรษะที่ตกอยู่ข้างทางรถไฟแสงไฟจากสปอตไลท์ที่เขาส่องไปกระทบศีรษะของคนตายที่วางอยู่แต่สภาพศีรษะคือคอขาดไม่ได้ตั้งอยู่ในลักษณะเดิมที่เขาเห็นเมื่อสักครู่เขาก็เลยนึกฉงนใจแล้วก็แปลกใจศีรษะคนตายขยับเปลี่ยนท่าตั้งใหม่ได้อย่างไรเสียงตำรวจนายหนึ่งพูดว่า ในอาสานายไฟจ่อไปใกล้ๆให้พวกผมดูศีรษะคนตายหน่อยสิเขาก็เลยยกสปอร์ตไลท์นะคะเจ่ะไปใกล้ๆศีรษะคนตายห่างกันวาเสร็จตำรวจ2นายได้เห็นศีรษะคนตายชัดเจนขึ้น2ตำรวจยศนายสิบค่ะก้มลงไปดูศีรษะคนตายเพื่อจะดูให้ชัดๆจะได้หายข้อสงสัยว่าคอขาดจริง แล้วตำรวจสองนายก็ต้องตกใจพงะถอยกรูดออกมายืนหน้าซีดเขียวเหมือนคนโดนผีหลอกนะคะเขาก็เลยกระซิบถามตำรวจอีกคนว่าพี่มีอะไรหรอถึงได้หน้าซีดเหมือนไก่ต้มแบบนี้ล่ะตำรวจก็ยืนตัวสั่นนะคะพร้อมกับบอกอาสาสมัครคนนี้ก็คือบอกพี่ชนะเนี่ยนะคะบอกว่าก็ศีรษะเนี่ยมันกรอกตาแล้วก็แลบลิ้นใส่ผมอาสาไม่เห็นหรอเขาไม่เห็นศีษะคอขาดนั้นหรอกก็เลยใส่หน้าแล้วก็พูดว่า มูผมไม่เห็นเหมือนที่หมูเห็นหรอกสงสัยจะตาฝาดไปหรือเปล่าพอเขาพูดจบมีมือเย็นๆมาจับแขนเบาๆเขาก็นึกว่าเป็นมือของผีสะดุง้งโยงกระโดดกอดตำรวจอีกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆจนอนละมันไปทั้งวงค่ะที่ไหนได้กลายเป็นอาสาสมัครก็คือเป็นเพื่อนอีกคนนึงคนที่เคยโดนผีหลอกนี่แหละนะคะตารวจตาไม่ฝาดหรอกครับเฮียผมก็เจอเหมือนกันนั่นแหละ ก่อนเรื่องราวจะไปกันใหญ่นะคะมีนายตำรวจและก็แพทย์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับอาสาสมัคร <c oughs> ก็ได้เดินทางมาสมทบกับพวกเราความโคลมานได้สงบลงแต่เชื่อนะคะว่าหัวใจของทุกคนเต้นระทึกตลอดแน่แต่กับเขาเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆคือไม่รู้สึกตื่นเต้นตามเพราะไม่ได้โดนผีหัวขาดหลอกจึงรอดตัวไปนะคะเพื่อนคนที่เห็นผู้หญิงเหมือนคนตายเดินมายืนอยู่ข้างๆเขาก็กระซิบเบาๆบอกว่าเฮีย เธอเป็นผีจริงๆด้วยแหละนี่ตายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงยังเหี้ยนออกมาหลอกหลอนคนเขาก็เลยหันหน้าไปมองเพื่อนก่อนจะเอ่ยว่านายเห็นจะจากว่าเป็นผีจริงหรือเปล่า เพื่อนคนเดิมอ้าปากจะพูดก็ต้องชะ ง, งักไว้ค่ะเมื่อนายแพทย์แล้วก็ตํารวจอนุ ญ, ญาตให้พวกเขาเก็บศีรษะคนตายที่ขาดกระเด็นมาหลายเมตรแล้วก็นําไปรวมกับซากศพนะคะแล้วก็อวัยวะพวกเขาก็เลยต้องรีบทําหน้าที่อาสาสมัครค่ะช่วยกันหยิบศีรษะคนตายใส่ห่อผ้าขาวเดินหิ้วตามหลังตํารวจแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลอําเภอปากช่องไปสมทบกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนคุณชนะเล่านะคะว่าพวกเรานรําร่างที่น่าจะเป็นซากศพของคนตายมากกว่าร่างนะคะ เอาไปวางลงบนผ้าดิบขาวจนครบแล้วก็ห่อผ้านั้นให้แน่นมัดเงื่อนตายไว้จนแน่นก่อนจะช่วยกันยกห่อศพคนตายไปใส่ไว้ในรถจากนั้นทั้งตำรวจแล้วก็แพทย์กับอาสาสมัครต่างก็แยกย้ายกันไปสิ่งที่คุณชนะไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครอย่างพวกเขาเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากมู ล, ลนิธิสักบาทก็คือเป็นการเสียสละให้กับสังคมนั่นเอง นั่นก็เป็นคําบ่นน้อยใจคุณชนะนะคะอาสาสมัครกู้ภยัยผู้อุทิศตนให้กับสังคมระหว่างทางมีเสียงครางแผ่วเบาดังออกมาจากห่อศพที่อยู่ท้ายกระบะที่เพื่อนๆ อ, อาสาสมัครนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนก็มองหน้าด้วยความสงสัยหากว่าเป็นเวลากลางวันก็ไม่น่ากลัวอะไรมากนกัก น, นะคะกับเสียงประหลาดนี้แต่ว่าเนี่ยมันตอนกลางคืนผีมักจะสำแดงเดชหลอกคนเวลานี้แหละเพื่อนๆก็นั่งมองหน้ากันด้วยความตกใจ เพื่อนอาสาสมัครร่างท้วมในชุดทำงานของมูลนิธิการกุศลที่อินทร์ธนูบนบ่าของเขามีวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำมือถือห้อยอยู่ก็มองหน้าเพื่อนๆทุกคนก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆพวกนายได้ยินเสียงคำรามมาจากผ้าห่อศพหรือเปล่าวะเพื่อนทุกคนไม่พูดค่ะแต่ว่าพยักเหมือนกับรู้รถกระบะบรรทุกศพคนตายแล้วก็เป็นคนเปิดไซเรนแล้วก็ไฟฉุกเฉินวิ่งตามหลังรถตารวจไป แต่ว่าอาสาสมัครคนที่นั่งอยู่ในกระาบะา ท, ท้ายรถใจเต้นระทึกตุ๊บตับเพราะเกิดอาเพศค่ะคือมีเสียงคลางของศพดังเล็ดลอดออกจากห่อศพคนตายที่ผ้าดิบขาวเปื้อนไปด้วยคราบเลือดส่งกลิ่นเหม็นคาวคระคุ้งทุกคนนั่งยอมรับชะตากรรมที่ต้องเจอผีผู้หญิงโดนรถไฟชนตายหลอกต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวมองหน้ากันเดี๋ยวก็มองไปที่ศพคนตายมันไม่มีความสุขใดๆเลยนะคะ ที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพอีหลักอิเหลือนั่งอยู่กับคนตายแบบนี้เสียงลึกลับของผู้หญิงก็ยังคงครางเบาๆดังมาตลอดจะหยุดเฉพาะตอนที่รถวิ่งตกหลุมเท่านั้นเมื่อรถกู้ภัยวิ่งมาถึงโรงพยาบาลค่ะ กู้ภัยก็ยกขอศพคนตายที่คลุมด้วยผ้าดิบใส่เปรของโรงพยาบาลเพื่อมอบให้กับพลเปรของโรงพยาบาลเข็นไปไว้ในห้องดับจิตส่ว น, เ พ, นเพื่อนที่เหลือก็นําเอกสารต่างๆที่ตํารวจออกให้มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสารต่อแค่นี้ก็หมดหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยหัวใจเต็มร้อยเพื่องานสา ธ, ธารณภยัยพากันขับรถกลับไปประจําฐานที่เดิมทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปคุณชนะเล่าต่อนะคะว่าถัดจากนั้นมาหลายคืนคะ่ะ ก็มีชาวบ้านโดนผีข้อขาดของผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลอกเอาตอนกลางคืนจนมีผู้หวังดีนะคะไปตั้งสารเพียงตาไว้ให้ตรงที่เธอเสียชีวิตใกล้กันกับทางตัดถนนกับรถไฟทำพิธีบวงสวงอันเชิญดวงวิญญาณของคนตายมาสิงอยู่ในสารเพื่อจะได้ไม่เป็นผีเร่ร่อนตามยถากรรมแต่ถึงแม้ว่า จะมีศาลเพียงตาตั้งไว้ให้ผีหัวขาดจากอุบัติเหตุรถไฟชนตายสิงสู่อยู่นะคะและจุดประสงค์นอกจากจะไม่ให้เร่ร่อนไปหลอกชาวบ้านแล้วยังอยากจะให้ผีตนนี้ได้มีที่อาศัยอยู่อย่างถาวรแล้วก็ก่อนอื่นใดผู้ที่ตั้งศาลเพียงตาก็ยังมีความปรารถนาดีไม่อยากจะให้ผีตนนี้เนี่ยนะคะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านซึ่งผ่านตรงถนนจุดตัดกับทางรถไฟค่ะ อาสาสมัครกู้ภัยคุณชนะพูดจบก็ยกมือเกาหัวตัวเองค่ะพร้อมกับมีสีหน้าท้อแท้ถอดใจกับผีตายหงรายนี้ซึ่งเราก็ดูได้จากการหายใจลึกๆนะคะของผู้ที่เล่าเรื่องนี้นั่นเองชาวบ้านก็ยังนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็พวงมาลัยมากราบไหว้ผีตนนี้อีกทั้งมีเครื่องเส้นไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหวานมาให้กินไม่เคยขาดไม่นึกเลยว่าผีตัวนี้จะเนรคุณตอบแทนชาวบ้านด้วยการอลวา่าหลกหลอนอยู่เนือง และจะมีอาเพศอาถรรพ์ตามมาทุกปีค่ะก็คือจะต้องมีอุบัติเหตุตายหงตรงจุดนี้ชาวบ้านทนไม่ได้ก็เลยเชิญคนทรงเจ้ามาประทับร่างทรงต ร, รงที่เกิดเหตุก็ได้ความกระจ่างนะคะว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมีคนตายทุกปีเป็นเพราะว่าผีตายหงคอขาดที่เป็นผู้หญิงต้องการชีวิตชาวบ้านมาอยู่แทนและตัวของผีตายหงตงนนี้ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงสารนี้แล้ว ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดกันและจะมีผีต้นใหม่ที่เพิ่งตายโหงมาอยู่แทนและก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะไม่เกิดเรื่องร้ายจากอุบัติเหตุที่นี่ที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นความประสงค์ของผีค่ะที่ล้างสมองแล้วก็ถ่ายทอดความคิดอาฆาตแค้นให้ผีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ผีตัวต่อไปนะคะได้มีตัวตายตัวแทนสืบต่อไป ชาวบ้านก็ได้ยินได้ฟังร่างทรงบอกแบบนั้นก็พากันขนลุกหน้าถอดสีมีความไม่สบายใจกลัวว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะตายหรือไม่อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตัวเองก็ได้กลายเป็นความวิตกกังวลของชาวบ้านละแวกนั้นค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันนิมนต์พระผู้เรืองอาคมมาทำพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วก็ลบล้างคาสาปของผีตายโหงเพื่อต่อไปจะได้ ไม่มีใครมาตายโหงตรงนี้อีกนะคะนั่นก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ใครจะไปห้ามได้นะคะก็ต้องปล่อยให้พวกเขาเชื่อกันต่อไปหากไม่ทำวิธีนี้ชาวบ้านก็จะไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วบางครั้งพิธีกรรมทางศาสนาบวกกับความเชื่อทางศิยศาสตร์ก็ได้ผลเหมือนกันนะแล้วก็ตัวของเขาเองก่อนหน้าที่จะไปเก็บศพคนตายเขาก็จะยกมือไหว้บอกกล่าวขอขมาขอโทษคนตาย เรื่องลี้ลับเช่นนี้เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนบอกว่าพวกผมเจอมานักต่อนักแล้วย่อมรู้ดี นี่ก็คือประสบการณ์ของอาสาสมัครกู้ภัยที่อำเภอปากช่องค่ะที่ได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติมานับไม่ถ้วนเจอทุกรูปแบบแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้ช่วยสังคมทำให้เขาแล้วก็เพื่อนๆผ่านอุปสรรคมาได้ตลอดแต่ก็มีเพื่อนบางคนยังมีบาปอยู่จึงต้องรับกรรมเจอพูดผีวิญ ญ, ญาณต่อไปหมดเวลาของพระเจอผีประจาชั่วโมงนี้แล้วนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังหากคุณชอบช่องนี้ชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้บีด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันได้ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ